เที่ยวกับมีทั้งโน่นทั้งทางด้านนี่ก็ไปทางตำพัวไงไปทางพัวดีวัดหลวงปตันก็ดีไปหาว่าันนาที่เหล่านั้นดีในนี้จะเข้าป่าเข้าเขาเหมือนแต่ก่อนไม่มีที่อยู่แล้วนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะนที่ไหนก็มีทังแต่ทุ่งเมดเป็นไร่เป็นสวนทั้งหมดแผ่นดินไทยนี่ทุกภาค มันก็ดีอยู่ต้งแต่ทางโน้นแต่อานการฉันการมีสบายมันจะเพียงพอไม่อองค์บอกคำบาหนึ่งนะก็ต้องคำหนึ่งถึงผู้เขาเลี้ยงดูการไปมากเกินไปไปทับถมก็ไม่เหมาะแต่ที่เหมาะสำหรับการภาวนาเท่าที่ผมผ่านนะแถวนี้ทุกวันนี้ก็คือวัดภูวะ ที่ท่านอุทัยอยู่ตั้งปฏิบัติมรดกตามมรดกครูบาอาจารย์ไว้ได้ดีนะนั่นไดดีวัดลงพ่ตันก็นดีอยู่ลงไปดูสถานที่ภาวนานอกนั้นมันมีแต่เรื่องการก่อการสร้างยุ่งจันไม่ไม่เห็นทางยมกมเนี่ยนี่เราเอื่อมละอ่านจิงไปพอไปเห็นน่าสดุดสงเร็จนะภาคกรรมฐานเรา ไม่ได้สนใจกับภาวนาไนม่พูดได้เท่านี้แล้นะอะไรกันเอางานนอกเขามาใส่หมดกมาฐานของพระครู อ, คอาจารย์พลันเดินมาท่าน เ, เอางานนอกมายุ่งเมื่อไรนี่ก็งานในทั้งนั้นงานในจิตงานพร การทำภาวนาก็ต้องไนีสังเกตเจ้ของจะดับมัน ด, ด้วยวิธีใดมันต้องใช้ความสังเกตสอบรู้ไม่งั้นก็ไม่ได้นะวันนี้มันเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นนะว่ะาไงไม่ใช่เดินนุกรมก็เดินเฉยนั่งภาวนาก็นั่งเฉยทดสอบมันต้องพลิกแปลงเปี่ยนแปลงหลายสันพันคมมันถึงทันกันผมบอกแล้วว่าฤเธิ์อะไรจะแหลมคมเกินเทธิ์ว่า ก่อนไปที่ไหนมันก็เป็นป่าไปงหมดก้าวตรงไหนก็เป็นป่าก้าวเขานี้ก็ป่าก้างของพลังด้านนี้ก็ป่าทางก็เป็นทางรอดทางเทียนทางเป็นดันๆไปคือขนั้นอันนี้มีทางรถทางลาตัวมองไปทางไหนก็สูบสายสายตาตั้งแต่สวนแต่ไร่ของทั้งนั้นหาประกอบความภาคเกลียนก็หาได้ยากมันไปทาง บางสามหมอไปทางตากตะลังมาดิจิพูกลก็ภ<ม>ูเรศเ ข, ขาเรียกอะไรความหลังนาย้อนหลังความหลังก็จะเป็นความวเดลิมฉลองความอะไรอวรไม่จะน้อยเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบโลกมันเป็นความหลังไปคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะแถมนั้นเป็นแถวที่เราเที่ยวทั้งนั้นจนมาถึงภูเรศภูอะไร ทันวันอยูแแ่แถวนี้มาไหมนู่นตั้ต่กตัดภูวงแถวนั้นไปหลายข้างหลายหนไม่ใช่หนึ่งคนเดียวยนะปีขึ้นทางหนึ่งปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งอย่า ง, ง, ง, ง, ง, งนั้นไปซ้ำของเก่าไม่ค่อยซ้ําหรอกไปแถวนั้นอย่างนี้ไปแถวนั้นแต่ไม่ขึ้นที่เก่าไม่ดีที่เก่า ใ น, น, นลำพึงลำพันธ์ถึงบุญถึงคุณสถานที่ที่เราเคยอยู่มาแต่ก่อนก็คือแถวเนี้ยจะเข้าไ ป, ไปบังสานหมอไปทางทิศเหนือนี่จะมาขั้ ง, งถึงไปทางบ้านตาพวงแถวนี้เป็นแถวที่เราเที่ยวจริง ๆ, ๆทางด้านทอดอกแล้วก็ขึ้นเขาตรงนี้ก็ไป ทางด้านตอนตกของบ้านของภูวงนะ่ะเราก็ได้ไปอยู่ทางนั้นมันมีถ้าทางด้านตอนตกก็มีถ้ำแต่ทางบ้านทุงเชือกทุงเชือกขึ้นไปนู่นมีถ้าแล้วก็ทางด้านตอนออกนี่ก็บ้านภูวงนี่ก็มีถ้าแต่เราไม่ขึ้นอยู่ในถ้ำมันขึ้นไปดูแล้วมันมันร้อนกลุ่ไม้กับมีขเขากต้นไม้มะขา่า ก็มีต้นสองต้นบนมันมันไม่ค่อยเยน็นเราก็อยู่ตีนเขาเนี่ยเพราะน้ํามันอยู่ข้างล่างข้างบนน้ํามันน้ําเป็นน้ํำคำะถันฉันก่อยๆเอ อ, อยังไงบางคนเขาบอกว่าฉันกินไปนานๆท้องเสียเขาว่าไงของเราไม่มีก็กินไปนั่นก็ไม่ เ, เสียนะั่นก็ไม่ค่อยกินมากนะข้าวเหมือนกัน ที่ว่าบ้านอะไรม่วงม่วงมองเข้าไปเห็นบ้านม่วงเนี่ยนั่นแหละเรามาบินสบาดตรงนั้นห้าหลังคาเรือนแต่ส่วนมากเขาไม่ได้ใส่หมดตู้หลังคาแะ้วบรรษัสามหลังสี่หลังใส่สายมาบินสบายยั ง, ย, งยังนอนไม่ตื่นนะ่ะเนี่ยข้าวายังไม่สุกประมาณหนึ่งหมูมาจากนั้นมาถึงหมู่บ้านก็ไกลอยู่นี่นะ ก็แล้วก็หาอย่างนั้นด้วยวันหนึ่งวันหนึ่งข้าวกบพอโอ้ยเท่านี้ก็ก็เราหาอย่างนั้นหาที่ภาวนาดีๆนี่แถวนี้มีดินเข้าวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ว่านี้ข้าวเปล่าแต่มันเงียบนะบางวันใจทํางานน่ยตุบตับตุบตับเนียกลงคืน เวลาเราเริ่มภาวนาทีแรกก็มั่งว่าใจทํางานตุกตับตุกตําได้ยินชัดเจนแต่พอเวลาเราทํางานเข้าไปทํางานมันดังคิดตับพอนาวไปเลยมันก็หายเงียบไปเลยเพราะจิตมันทํางานอย่างหนึ่งต่างหาก <c oughs> เงียบจริงๆตรงนี้ก็ดี <c oughs> ถ้าเสียงก็มีแต่เสียงนกกลางวันกล <c oughs> างคืนก็มีเสียงอะไรสัตว์กลางคืนแหละ แก้งบ้างแก้งมันมีเยอะนี่แถนั้นที่เราอยู่มันล่องไปโขกแก้ง อ, อ, อ, อ, อยู่ข้างข้าวกินพอพอยังชีวิตย์ไเป็นไปเท่นั้นไม่ได้เอามากอะไรมากกว่านั้นก็ไม่มีใครตามไปเพราะข้าวกระชั้ น, นั้นจะตามแบบไรเ <c oughs> ขาไม่ตามไปเราก็บอกไม่ให้เป็นกังวลกับเราละว่างนั้น แล้วก็คนประเภทไหนเขายึดพอจะตามลงไปวะเขาก็อยู่ตามภาษาเขาเราก็ไปหาอย่างนั้นให้เขาไปยุ่งเราวะมีอะไรก็มีมีอะไรในบ้ามีแต่ขา้าวป่า <c oughs> กินข้าวเป่ามันจะกินได้มากอะไรมันไม่หมดละข้าวเปล่า <c oughs> น, น้อ ย, อยตอนนี้มันก็ไปหมดกินนิดเดียวมันก็อิ่งแล้วข้าวก็ไปวางไว้ตามนั้นมันไม่มากเอาไว้ให้พวกกัดกระเจ้า ก, กแต่เยอะแถวนั้นไหม ไปไว้ไว้ตามกินอย่างนั้นก็เดินยังกลมโอต้ตัวตัวปิวววว้วไปเลยนะอย่างนี้แล้มันมันทำให้พินาย้านหลังจึงเห็นบุญเน้นคุณในฐานที่ต่างๆที่เราไปอยู่ตรงไหนที่ฝึกทรมานมากๆสมุทรสมบัต ม, มากๆอย่างที่นั่นอนะ่ะที่ทำให้ไม่ลืมมันเป็นอยู่ในหัวใจเองคืบว่าไง เพราะันจริงได้พูดเสมอว่าพวกอาหารประเภทป่าประเภทเขาที่เอามานี่ก็เหมือนกันนะพราะมันมองเห็นตามนี้มันจะสะดุดตึกตึกตึกย้อนหลังย้อนหลังที่เราก็อยู่อผักกระโดนนี่มันก็มีอยู่ในป่าในเขามันก็มีแล้วผักอะไรอะไรที่เป็นของมาจากป่าจากเขามีเยอะนี่ที่เขาเอามาถวายทุกวันพอจะมองเห็นตอนนั้นมันเป็นน้งมันเองนะตึกเลย มันเหมือนกับเห็นบุญเห็นคุณกันก็ไปอยู่ที่เช่นนั้นน่ะที่มันได้ขอทำแต่ประหลาดอคุจันทร์แต่ละครั้งละครั้งเนี่ยไม่ได้ไดเพราะความเดี๋ยวก็เปล่าฟุ่งเฟยมันได้เพราะอย่างนั้นเพราะนั้นเราจิ้งหาแต่อย่างนั้นโดยหนึ่งกรมมันก็ไม่มีเวลามันจิตมันทํางานอยู่ในนี้มันจะไปหาเวล่เวลาที่ไหนมันไม่ไปสนใจโดยเวลาเวลาเดิน จกมกอมจนฝ่าเท้าออกร้อนวูบๆนะแต่มันไม่ถึงฝ่าท้าแตกเหมือนพระโสณะท่าน น, นี่เดินความตามควเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนั่งภาวนาก็เหมือนหัวต่อมันไม่มีความง่วงเพียงแต่ข้าวเฉยไม่ได้ง่วงนะกลับนั่นแนหะทำให้ง่วงถ้ายิ่งจริงฉันผัดผัดมันๆด้วยแล้วโอ้โหยกล่อมเลยแต่ในป่านั้นมันจะมีผัดผัดมันๆที่ไหนล่ะ อยังมากก็มีพริกนิดหนึ่งก็เอาอพวกกบพวกเขียดตั้งนี้หน่อยอแล้วก็ข้างคาวเยี่ยนตัวเล็กๆเขาปิ้งมาส บ, บานยงก็มีกินอันรแล้วเอากินพอจะพอยังชิดว่จะเป็นไปเพื่อความเพียรนี่ เพราะว่านั่งน้อกับเหมือนกันไม่ค่อยปวดค่อยขบเลยนอนยิบเดียวตื่นแล้วมีแต่ความเพี้ยนทั้งวันทั้งนีหมูเพื่อนน่ะพูดนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อคุยเพื่ออวดหมู่เพื่อนนะนี่การาค่าเครดิตมันเป็นยังไงบ้างคือแม่เด็เหมือนกับว่าไม่ได้ห่างจากกันเลยก็เหมือนกับเขาให้น้ำในทางนั้นนั่งมวยคู่ต่อสู้เราก็ให้น้ำในทางนี้ถ้าว่าให้น้ํำยิ้วด้วยกันเงัน วิเลยกับเรามันเกอนิอยู่แค่คันอย่านั้นก็ฟาดกันฟาดกันอยู่งั้นเรื่องความเพียรเนี่ยโอ้นั้นจึงมาเห็นนี่มันจึงแล้วฟาดจะว่าจะว่าโมโหมันกับโมโหเนี่ยมันคันฟัเนเห็นหมู่เห็นเพื่อนทําความพาความเพียรไม่ใช่เราจะเอามาเรื่องของเรามาเหยียบย่ำหมู่เพื่อนนะเราพูดให้เป็นคติเอาจิงจริงจรงจรงไม่ใช่ธรรมด า, าไม่ว่ากลางวันกลางคืนการงานอะไรไม่ให้มายุ่งทั้งนั้น ผมเป็นนิสัยอย่างนั้นด้วยนะถ้าลงได้ทําตัดสินใจลงไปทางไหนแน่ใจลงไปทางไหนแล้วมีทางเดียวเท่านั้นนี่ก็เรื่องของความภาคเพียรนี่เพื่อเพื่อไม่ใช่เพื่อธรรมดาอืมเพื่อความพ้นทุกข้าชัภูมิก็อาหัตะภูมิเท่านั้นภูมินอกนั้นไม่เอาจะเอาอาหาตะภูมิให้ได้นั่นว่างั้นเลยพ้นทุกข์่างโดยทายเดียวเท่านั้นในชาตินี้จะไม่ขอเกิดอีกแล้ว มันมันหนักมันแน่นอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรมันดึงดูดกันเองที่ที่ว่าความมุ่งมั่นมันอยู่สูงสุดความภาคเพียรมันก็หมุนไปตามเองทุกสิ่งทุกอย่างหมุนทุกอย่างลำบากอะไรมันไม่เป็นอารมณ์นั่นก็เหมือนนั่งมวยต่อยกันน่ะมันจะมาคิดถึงเรื่องเจ็บเรื่องปวดอะไรถ้าเกิดถ้าคิดถึงเรื่องเจ็บเรืองปวดเราอยถูกนอก น, นี่มันไม่ได้คิดถึงนึ่งความทุกข์ความยากทุกกรทราบว่าทุกแต่กินไม่อยู่ในนี่ถ้าอยู่มันก็อยู่เป็นสัจธรรมเสียมันไม่ได้อยู่เพื่อความพินาละอาใจซึ่งไม่ใช่สัจธรรมอันนั้นมันเป็นสมุทยัยทุกข์กัพิจารณาเป็นความจรินเสียเนี่ยไปนี่แหละที่ไปอยู่แถวนี้นวันนั้นไปนั้นตามไม่เหลือ น, นั่นแล้วที่อนหมดนะอแล้วจังหวัดมันเป็นเรียกว่าเป็นความหลังความหลังไป เปลี่ยนมดกเลยป่าดงที่เราเคยอยูมอ่มันมองไปมันเป็นทุง่งนาเป็นเป็นสวนไปนหมดเลยบ้านนี้ก็เคยอยู่บ้านนั่นเคยอยู่มันอยู่ตีนเขาตีนเขาพวกเขานี่อยู่ตีนเขาตีนเขาเนี่ยไกลไปทางหัวมันแล้วแต่เอาสายบ้านแถวนี้อันเรื่ อ, อยบ้านนับ้านนี้นเราก็เคยอยู่เนี่ย พอเขาเขียนไว้บ้า น, นก็ก็ทราบแล้วบ้านบ้นแค่นี้เราเคยอยู่แล้วเนี่ยที่ทางมันจะไปตรงไหนเท่านั้นเองทางสายที่เราไม่เคยไปนี่ไปก็เขียนหมู่บ้านไว้บ้านนั้นเนี่ยโอ้บ้านนี้เราเคยอยู่ก็เราก็แน่ใจแล้วว่าบ้านนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยบ้านนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วรถไปมันก็ไปตรงนั้นตรงนั้นนั่นมันไปตามสายทางหมู่บ้านที่เราเคยอยู่แล้วก็เห็นมาเป็นลำดับลาดับตลอดมาเลย เขาเรียกความหลังสถานที่เราเคยอยู่มันเปลี่ยนแปลงมปหมดแต่เราก็เคยอยู่ทําในคิดนี่แถวนึงมันมันหลายแห่งนะถ้าไปทางมุ่นก็อีกเหมือนกันลนะถ้าไปทางบ้านกกกลัลุกกระสะไปในเขาไปนู่นไปสารแว่อะไรคําปักขุดผักกีดปกไปนู่นเราก็เคยไปไปอยู่ที่นั่น พวกปากพวกเขาแล้วอะไรมันนาหลักแจ้งนางน้องหมูบ้านละสี่ห้าหลังคาเรือนนั่นอะ่ะที่เราไปอยู่เขาพวกนี้เขาพูดเป็นภาษาของเขาแล้วเราฟังมาเรื่องพวกโซ่พวกขาดเขาพูดขั้นๆหน้ว น, วนเช่นไปนี่เตอะไปสวนไปได้เตอะจะแหละเนี่ยเตะจะเนียให้เขาว่เตอะอันเป็นวาไป อาใจเขากินวันหนึ่งวันหนึงเขาให้มาเกี่ยวข้องเราเลยแต่ที่นี่เราก็ไม่ได้กินทุกวันหนึ่งไปอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างนั้นนิสัยเรานนี่ไปจะอดทั้งนั้นแหละมันพ่อน่าดีนี่สกลนครนี่แหละที่ได้เที่ยวมากที่สุดเพราะพ่อแม่กุศลย์เราท่านอยู่ทั้งทั้งทางมั่นคกน้ามนตทั้งทางน้องผืนท่านอยู่ทางโน้นเราก็เที่ยวทางโน้นท่านมา ท า, ท, าทางหนองผือแล้วก็เที่ยวทางนี้ปีหนึ่งไปทางหนึ่งปีหนึ่งไปทางหนึ่งมันาการประกอบความภาพภาพเยี่ยนนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหัวใจจริงจริงงานอื่นจึงมายุ่งไม่ได้ก็ น, นับว่าไดชนะผมต้องต่ออปฏิบัติผมไม่เคยก่อสร้างอะไรเลยแม้แต่ชิ้นหนึ่งเลยไว้เลยนะไม่เลยมีแต่ฟาดกับกิเลสตลอดเวลาตลอดเวลาน ตื่ขึ้นมาเอาแล้วเนี่ยฟังเสียงเว่าทั้งหลับไม่อว่ากลางคืนกลางวันอิริยาบถใดมีแต่การฟัดกันอยู่ตลอดนี่จะว่าไงล่ะแล้วอุบายต่างๆม้อค่อยค่อยคิดค่อยจับกันอยู่เรื่องยๆเป็นยังไงจิดทำอย่างนี้เป็นยังไงทำนั้นเป็นยังไงทดสอบเรื่อยเพื่อหาเหตุหาผลที่จะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเพ่งหมัดเพ่งมวยเราว่างนั้นเถะ นู่นจนประสั่งมันถึงขั้นของมันที่มันเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วนั่นอย่างที่เคยพูดให้ฟังแล้วขั้นภาวนามัญญปัญญาเนี่เป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วส่วนสมาธิก็เป็นขั้นหนึ่ง<ม>ขั้นนี้ ม, มันไม่ได้ฉลาดร์นี่ขั้นสมาธิมีแต่ความสบายสงบจิต อ, อ, อิอ่มตัวไม่ไม่วุ่นกับอารมณ์อะไรๆภายนอกรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัส เช่นราคะตันหาอย่างนี้มันสงบไปหมดเลยมันก็ไม่ควรก็อยู่นั่นนะภาวนาสงบเย็นยนั่นเ <c oughs> ข้าไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยเงียบเยยิดเข้าในสมาธิแล้ว <c oughs> พอออกมานี่เหมือนกับว่าเราออกมากระทบแดดกระทบฝนน้อนห น, น, น า, นนานวเราเข้าอีกเสีย <c oughs> มากระทบรูปเสียงกินรถเครื่องถรถไฟอะไรต่ออะไรเป็นสมมติขัน ม, มันทำงานอย่างนั้น มันก็เหมือนกับมันลำคาอถอยจิตตป๊บเข้าไปในสมาธิแล้วเงียบเลยมันก็ติอยู่นั่นเสียหนึ่งสบา้าขั้นหนึ่งจะว่าเป็นตัวของตัวก็เป็นเพียงขั้นสมาธิจะว่าเป็นตัวของตัวก็ก็พูดได้อย่างอะไรอย่างผิวผิวพ้นเพลินนั่นแหละมันความแน่ใจมันไม่มันไม่ได้เป็นเหมือนขั้น ข, นของปัญญาอันอปัญญามันแน่ใจเรื่อย อก้าวข้าขั้นถึงขั้นภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วโอ้โหมีแต่เรื่องความแน่ใจแน่ใจแน่ใจหนักแน่นแน่ใจเลื่อยหิเยไปจนกระทั่งถึงว่าแน่ใจว่ากิเลสจะต้องพังให้หมดนุ่นไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นความเพียรมันจะไปถอยได้ยังไงความแพ้ไม่มีมีไม่ได้วางั้นเลยเมื่อถึงขั้นความแพ้มีไม่ได้มันเป็นในหัวใจเองจะวางไห ม, มีใครบอกมันก็รู้เองคือสติปัญญามันเปียงไกลนี่มันรวดเร็ว มือนกับว่าเชื่อฝีมือคุณึังไงวางกันจากจากนั้นไปแล้วก็ก็เหมือนกับว่ากิเลสตัวไหนเก่งออกมาวางั้นเลยถ้าเราจะเทียบนะเอาออกมาแซมโมกิเลสตัวไหนว่ามันไปออกมา <c oughs> ถึงขั้นมันรวดเร็วมันนั่นอที่สร้างความหวังให้ตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้ น, น, นเพราะความเชื่อฝีมือตัวเองคุณยังไงอันนี้และถึงขั้นนี้แล้วอะไรที่นี่ เรื่องที่่ว่าจะหาสอนทั้งนั้นอุบายไงจะมาสู้กับกิเลสอย่า ง, าง น, น, นี้นี่มันไม่มีแล้วเพราะมันเป็นปัญญาอยู่แล้วนี่เหมือนติวติวนี่ไม่เชื่อพระุทธจาจะจะเชื่อไงก็อุบายเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนม้แล้วทั้งนั้นภาวนามายาปัญญาแน่พ่อองค์สอนมาแล้วพ่วญญอองค์ไม่เป็นสอนได้งไง <c oughs> เวลามันไปเป็นแล้วมันก็รู้เอง อเรื่องนี้ถ้าไม่เป็นพูดไม่ถูกอ่ะใครจะไปเดาเรื่องภาวนาไปัญญาเดาเธอว่างั้นเลยนะเดาไม่ถูกถ้าไม่เป็นถ้าเป็นแล้วไม่เดาเดาไงก็บรรลุเรื่องสติปัญญาความพลิกแพงแปล่นแปลงหมุนรวดหมุนเร็วอะไรของสติปัญญาพลิกแพงแปล่ยแปลงหลายสันพันขมนี่ถูกไม่มีอะไรเหมือนยิ่งบอกอืมาภาวนาญปัญญาคือ คือคล่องตัวเรื่อีๆเลยตั้งแต่เริ่มแร ก, กว่าเป็นภาวนามยปัญญาหนึ่งถึงเก้ามหาเข้าไปมหาติมหาปัญญาก็คือภาวนามยะปัญญาคล่องตัวนั่นเองเป็นยางไงํนานาญนั่นเองถ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเข้ามายุ่งได้นะไม่ได้เป็นการขาดนะนมหัวใจผมหัวใจแพ้ก็ใครก็เถอะนะ่ะถ้าลงถึงขั้นใครยุ่งไม่ได้แล้วอยู่กับใครไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวเท่า น, นั้นถึงอยู่ได้ ใครมายุ่งไม่ได้นั่นถึงขั้นคนเดียวท่านในหลักธรรมท่านก็ บ, บอกไว้เอกกโกวะเป็นบุคคลผู้ผู้เดียวเท่านั้นท่าน่ะเมื่อถึงขั้นมันเป็นท่านก็ บ, บอกไว้แต่มันก็ไม่ถึงใจเมื่อมันไม่เป็นในใจนะมีตำหตนักตำลาเขเห็นเมื่อมันเข้าเมื่อมันเป็นหรือมาแล้วมันก็วิ่งรับกันเองอ๋อถ้าที่ดท่านว่าเอกโกวะเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นท่านม ยี่ไหก็เป็นความเปลี่ยนของคนผู้เดียวผู้เดียวไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเราพูดอย่ว่างัน้นนี่เต็มเพราะถึงไปแต่ผู้เดียวผู้เดียวยินกับใครไม่ได้มันมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่างานเนี่ยงานอันนี้งานชุนมุนไปจับแยกกันออกได้ไงงานชุนมุนงานเข้าตะลุมบอลกันต้องฟาดกันเต็มเหนี่ยว อันนี้แล้วมันจะเป็นตัวของตัวไม่ต้องหาอุบายว่าต้องคิดอย่างนั้นหรือจะคิดยังไงอะไรไม่เ่ะพอปัญญามันทำงานข้างมันอยู่แล้วไปที่ไหนก็ไปทางไหนก็เหมือนกันนะมันเหมือนเราไปพูดไม่ถูกในหัวใจนะี่ ก็พูดอย่างแบบผิวเผินก็ว่าเหมือนว่าเราเห็นบุญเห็นคุณในสถานที่ที่เราเคยบําเพ็ญเป็นอย่างนั้นนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนาแล้วลืมตาลืมพระเนตรบูชาต้นโพรรรออลืมแล้วเดี๋ยวนี้มาหนึง่งหนึ่งนานลน่งะเจ็ดละเจ็ดละเจ็ดเจ็ดี่สิบ้าแลย เห็นบุญเห็นคุณน้องปู่้าแล้วมาพูดหนึ่งมันวิ่งถึงกันเลยนะท่านจะออกจากสถานที่นั่นเวลาคุยกันเต็มที่วันนั้นวัน ท, ที่ว่าตั้งแต่สองทุมถึงหกทุ่มท่านพูดถึงเรื่อง ee, มันแปลกนะท่านว <laughs> างท่านวางก็มันมันเป็นเหมือนกันแล้วมันเข้าใจกันทัทนทีเวลาจะจากที่นั่นไปจะต่ถ้าเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่ท่านว่างนั้นนะ แต่มันก็เป็นจะทำไงกันวะสถานที่ที่เราได้เห็นอัจฉริธรรมรู้อัู้ธรรมในขั้นในขั้นสุดท้า ย, ยาท่านเวลา จ, จะจากนันไปไปออกไปแล้วไปถึงถแล้วยี่กับหลังหันขึ้นมาแล้วมอง ม, มองมาดูสถานที่อันเกษมชํามลานอันมีบุญมีคุณร้นพ้นอะไรท่านว่าเป็นลักษณะงั้นนะ มันรู้สึกมั น, มนอ้อยอิงกันแล้วนะท่านมาหาท่านเหรอชอบคนที่ว่าไปกิเลสมันก็ไม่ใช่ท่านว่างั้นนะทีนี้มันก็ยอมรับกันละสิอืมอย่างพระพุทธเจ้าท่านยกต้นโพเป็นคู่แขยงศาสนาแต่ว่าท่านมีกิเลสหรืออ้อยอิงเอะก็เป็นแบบพระพุทธเจ้าแบบจิตประเภทนั่นแหละพูดง่ายๆนะมันวิ่งถึงกันเลยไปออกไปแล้วมันจําเป็นที่จะได้จากได้าพระภากจากสถานที่นั่นไป ออกไปนู่นแล้วยังกำลังหาขึ้นมามองดูหมือนั่นเป็นลักษณะเหมือนอ้อยอินอะไรท่านพูดไม่ถูกท่านวางนั่นนะจะว่าปเป็นยี่สิบมันก็ไม่ใช่ท่านว่านั่นเรามันยอมรับแล้วพอท่านวางยอมรับนี่นะมันเห็นบุญนึงคุณไปย้อนไปหลังไปหมดเลยไปดูทางนั้นไปดูทางนู้นมันไปทางนู้น ไปทางนั้นไปเรืยวันนั้นไปนั่นก่ไปบ้านแพงนั้นก็พอไปถึงนั่นแล้วไม่อยู่นะไปวันเมื่อคราวที่แล้วพาเด็กเข้าไปเด็กเข า, เเขาพ่อเด็กเขามาไปเขาก็ไปบ้านแพงนุ่งเขาไม่นอนเขาไปส่งเาแล้วเขาก็ตปบ้านแพงเลยแล้วก็เราก็บอกรถติดนึ่นแล้วให้รถย้อนกลับมาบอก เอารถบิ๊กอัพนั่นรถเก่งมันจะลบากบางกีฮะอย่างมันต้มน้ามันจะลำบากเอารถเท่านั้นนั่งรถให้ท่านใหญ่พาไปนู่นเราเข้านู่นเข้าไปทาง น, นั่นเข้าไปทางเขาเขาเรียกว่าปากวูลเป็นนั่นแนหะอําเภอศรีสรงครามอยู่ตรงนั้นอนะ่ะทุกวนันนี้แต่ก่อนเขาเพิ่งย้ายไปเป็นอํา เป็นกี่อำเภอปากูนผมก็ไปทางโน้นเข้าทางโน้นเรานั้นก็ไปถามหาให้เรียกเจ๊ตองชื่อแกชื่อเจ๊ตองแกเป็นคนทําคัเลยนะเรายังไม่ลืมไอ้ลูกสาวแกนั้น ตอนผมไปพาวหลังไปปีพศถลายมาผ่านมานั่นไปค้างทหนึ่งคืนนึาา ง, งที่ป่ายางค้างนึงแล้วเด็กคนนี้มันก็มา ป, ปีนั้นหนุ่มปีเป็นปีเด็กคนนี้แต่งงานเห็ุที่จะทําได้ไนะมฉันบอกว่ามันขึ้นแต่งงานวางมนะัแต่ความเป็นเด็กเล็กๆอยู่ตอนที่ผมไปที่นั่นมันมาใส่บาตพ่อของมันเนสะียมันตองเจ๊อตองอะไ ม, มาเดินออกมา อันี้มึงเอามึงได้อะไรใส่บาทท่านละ่ะนหนบายลูกสาวลูกสาวก็ก่อนนาเต้นเต้นอะไรมนะเจ้าคนนีน้มันไม่ได้หลายแล้วก็ได้ตะเข่าแล้วนะมึงกินไดตะเข่ามึคยกินไหมอะมึงกินตะเข่ามึคยกินไหมมึงกินกับว่นดว้วยปลามาเยอะไปเอามาลูกสาวนะมันก็บินไปเด็กคนนี้มันหน่อยๆ อ, อ, อายุมันเยอะามากทั้ เก้า ป, ป, ปีหรอสิบสี่เรอหนีเล่ากับในิ่มแล้วมันก็ไปส่งจักหัดนเรื่อยๆเด็กเขาเนี่ยเราจะรู้เพราะพ่อเนาะเจ๊กเจ๊กตองให้ให้ไปเขาเป็นเหมือนกับว่าทำรูปฐานอยู่เขาว่านานไม่เห็น น, นิฝนเนาะนั่นล่ะมว่วานั้นได้เข่ามาหา ถ, าถามหาล่านเจ๊กตองอยู่ตรงไหน่ะแล้วถ้าเรล่าก็บเชื่อแน่ว่า้ะต้องตายล่ะเพราแกอันอันแกแกก็เล่ามากนี่เลยมากกับตายกันจริง แล้วลูกสาวชื่ออันนั้นอ่ะว่าชื่อบ้วยห น, น้าย่งมีอะไรมามีพอดีไปจางมาัดเลยผงไปอะไรหน้าแหวนะ่ะกับมีตะโพง น, น, น, น, นั้นหานเขาก็าเล่าดีนะเด็กเดีเขาเลาไปเลยเล่าเรื่องไห้ฟังตอกแจ๊ตองเคยอุปธรรมประถาร์เล่านะตอนเลามาถักที่ตรงนั้นตรงนั้นเราก็บอกอะไรกรึงขิงข้ามเกาเกาแต่ใครยังมาย้ายามายเนี่ยอะไรอยู่ที่นู้นนะ่ะ เขาเก่งนี่เคยอุปถัมภาตากเราเราไม่ลืมนะว่ะเรนเราให้เขาฟังมีเวลานั่งบวยหน้าหนบอกนั่งบวยหน้าว่ะบอกว่าบอกว่าอาจารย์มหาบัวว่ามันนั่งกระจายกันที่ละว่ะถ้าว่าอย่างอื่นไม่กระจายเราบอกอาจารย์มหาบัวที่มาเคยมาทำที่นั่นที่ข้ามน่ตรงนั่นตรงนั้นบอกบ่ามันบ่อนีอันนี้มันจะดูทันทีเพอามันเคยกับเราอยู่แล้ ตอนนั้นผมมันไปบ้านนี้ทำงานกเลื่อยไปเปนบันคาประตานที บ, น า, บานคาวันเราโยนโยนยารายงานมาถึงเราอยมือควรต้งเนื้อดูที่หนามะทันใหญ่ละมันบุญนีละเนี้ยดูที่ บริเวณนี่ยมั น, เ ป, นเป็นป่าทันธนัน น, นานิ่งนี่อยู่ดูที่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงวะคือมันโล่งไปหมดเลยมันเป็นละเป็นนาเขาหมดเนี่ยตะกคียนตะขอนผมเคยมาพักที่นี่มันมีเป็นตามแล้วเสือชุมด้วยน้ำว่ะนี่อ่ะมัวัดนี่หนาว่ะพอบ่ายห้าโมงเย็นเนี่ยเสือมันตามหลังมันมาตั้งสี่ตัวห้าตัวมันออกมาผ่าน ม, มาวัดเยนยหนาว่ะ คือมันติดตัวเมียทุกห้องด้วยนะมันฟังดูเสือมันมัน่นยริงแต่ก่อนแต่สมัยผมไปพราะเขาหากินเขาหากินตามตามนันนะเขาไม่ได้เข้าดงก็ป่าเขาหากินในน้ำเพอ น, น้ํามันไม่อดแถวนั้นอาหารปลานีนไม่อดไม่อย่างะเขายึงไม่ได้หาในป่าเสื อ, อยิ่งชุ่มเต็มไปหมดพวกเสือพวกเนื้อเต็ ม, มตอน เสือมันมานแม้แต่ผมจะเดินไปบ้านเนี่ยบ้านขามเปี้ยป่ากยามออกไปทางสามผงนี่นี่เขาก็ยังจะไม่ยอมให้ผมไปฟังดิเขากลัวกลัวแทนผมกลัวเสือพอดงเนี่ยผมจะเดินตัดจากวัดเนี่ยตัดไปทางทิศเหนือนออกไปนูน่นไปทางบ้านขาเปี้ยแล้วก็ป่ากยามแล้วก็บ้านดงพนเอายวนชัยไปสามผง เขาเขาจะไม่หผมไปมันจะเป็นไรวะอ้วก็ะมัวนี่เสือมันกัดวัวอยู่นี่หน้าเนี่ยมีทางนี่หนีทางไปนี่ผมมันการวัวต่างหามันได้กัดคนนี่หนาเรากว่างมับ้านผมกับบ้านดงนี่เ ข, ข, ข, ขาก็เขาประหลุนผมเคยอยู่กรบโดงมาตั้งแต่แล้ ว, ม, ม, วมันกัดกระมัวนี่กระมัวมันกัมันก็ไปมันมีขางไปนีา่าเราจะเป็นไรไปเราจะไปวางมันมันข้ามแล้วนี่หน้ามันข้าไมไปเป็นไรไรตายวะ ผมก็ไปฟังกินวัวไฟไปก็ไปเห็นนี่กินละรอยไอ้นั่นเสือมันกัดตัวหยุดกลางทางกิน่ะเห็นแต่ขี้โพกขี้เพื่อผมยากเขาโกยออกเขาไปเอาเนื้อมากินได้แหละเห็นมันแต่ลอยเสือมันก็ไม่เห็นเราก็ผ่านตรงนันละมันตามทางไปเพราะทางมันพอเป็นด่านเป็นด่านเป็นทางเทียนเนืออะไรนี่หลบๆคนไม่คไปละส่วนมากเขาไม่ค่อยไปมาห้าสิบกัน่ มันไม่มีลงรดลังนานมีทางเลาะทางเตือนเศร้าเศ้ามองมองไปพอเป็นดันๆานไปจะเห็นรอยมือหล้วก็แป้งออกมานน่นผ่านไปผ่านมาเพราะยังมีตั ว, วิจารณ์เอาผมผมไปมาอยู่เรื่อยกเ น, นี่ยเขาก็พวกนี้ก็พวกป่าทําไมถึงต้องกลัวขนานไอ้เราก็คนป่าเหมือนกันแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนป่าเลยนี่ปาลาเลยือยเล่นอะไร เราก็มหม็นกลัวถ้าพูดเรื่องสัตว์เรื่องสวนกลางทุ่ง ม, มันก็อยู่ระหว่างปา่าหญ้าแสกหญ้าแฝกเส้นกลางคุ่งก็อยู่เรือคลองใหญนะ่นั้นไม่มีป่าอยู่มันไปอยู่ทุ่งกลางทุ่งมันทุ่ง ม, มันน้ําท่วมมันทํานาไ ม, ม่ได้พอตกครับพอ ผลหมดไปเมื่อกับยา่าแฝกเกิดเสือ่อมอยู่ในนั้นมันเขาจึงไม่กล้าไปไปไหนเลยครับขา ข, าขี้ขาดมากสังเกต ด, ดูนะอยาจะไปไหนมาอะไเขามักจะห้ามเสมอเขาไม่อยากให้ไปแต่ผมไม่สนใจผมข้็ไปของผ ม, ผมงนั่นหนึ่งแล้วนี้ก็ไปดูมดแต่ที่นี่ที่ที่เราว่าเนี้ยนะไปเนี่ยเป็นทุ่งไปหมดเลยนะตั้งแต่เหนี่ยววัดบ้านขาดสามพงบ้านขาน จนกระทั่งถึงบ้านขามเปี๊ยะปากยามนี่มีแต่ทุ่งทั้งน้นเลยแต่ที่เราบุก ป, ป่าแต่ก่อนไปไม่มีเหลือเลยนะนั่นแหะดูสิมัน เ, นเปลี่ยนไปอย่างนั้นแหะนี่งผมก็ไปสถานที่ที่ผมเคยอยู่เคยไปสี่ผมออกมาถึงบ้านอะไรหมู ม, ม่อนรอนเตยอะไรแถวนี้ผมไปหมดที่ว่าเสือกินคนแถว น, นั่นล่ะผมก็บอกนี่บ้านนี้บ้านเสือกินคนมันอยู่ตรงนั้นนั่นมันกินขอฆ่ามันอยู่ตรงนั้นน่นผมก็บอก พอผมไปเที่ยวตรงนั้นนี่เขาจะมานอนเฝ้าผมเพราะกลัวเสือกินผม <c oughs> แค่นั้นแ่ะผมเลยไล่เขากลับแตท่ที่นี่นี่ละหมายถึว่าเราพูดเขาเรียกความหลังนะเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นงั้นมันมันเป็นทุ่งไปหมดเนี่ยไปอย่างนั้นแหละฟังเถอะเพราะคนไม่ได้มีที่ทําอยู่ทํากินมันก็ต้องทำอยู่ทำกินหมด จงกระทั่งถึงออกมาถึงมันแพงนะเป็นทุ่งไปหมดจริงๆดงใหญ่ๆแต่ก่อนไม่มีเลยนานเห็ น, <ปะ S 1> นไหม <ปะ S 1> มันอะไรยางงั้นเนี่ยตัวไหนล่ะวลาเทศมันต้องต้องนึ่่ต้องระวังนี่แหมันมันมันเปลี่ยนไปหมดะดงใหญ่ตรงตัวแต่นี่ไปหาปูหลังกาหลังเกินเสือชุมพวงเนื้อชุม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 มีไปทางทางบ้านข้อพก็ไปแต่ไม่ได้เข้าไปนู่นที่คมเข้าไปอยู่ลึนะกก็ก็เป็นแบบเดียวกันอีกนะเป็นเป็นไล่เป็นสวนของมัดเลยที่ไหนที่ไห น, นมันก็มีแต่ความหลังความหลังอย่างว่าแหละมันเยนแต่ภาพไปหนมาแต่มันมันอดที่จะเลืเรื่องของเราที่เคยไปอยู่สถานที่เหล่านั้นๆๆนั้นไม่ได้นะ เอกสานที่เราเนะ้นมันเป็นเอกสานที่เหมือนว่าทรงบุญทรงคุณนะว่าในหัวใจเราไม่ลืมนะประกอบความเพียรนี้ทําเล่นๆอยู่ว่ามึบอกว่าขึ้นเบทีไม่ได้ลงกี่ปีเคยพูดอยู่บ้านฟังก็คืออย่างนี้เองสู้ตลอดเลยงานการอะไรเรมายุ่งไม่ได้ไม่มีงานการเรามายุ่งเลยทั้งวันทั้งคืนเดินตลอบเท่านั้น ทำในความเพียรความเพียรจะไม่ใช่ความเพียรธรรมดาความเพียรแบบกดนอนผ่อนอาหารนี่เพื่อดอาหารนี่ยืดมันจะมันทุกข์อ่ะแต่มันไม่ได้คํานึ่งอะ่ะบางครั้งกลับมาลงมาครพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่นั่งถือนี่นท่านท่านท่านคงจะตกใจตกตะลึงนีง่ไงที่ผมมันเหลืองหมดทั้งตัวเลยนะ มันคงดีสร้นนี่อะไรไม่รู้อย่างนั้นแต่เราไม่เคยเป็นกังวลพอมากราบท่านแล้วน่นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านคงตกใจแล้วสาโลกโร่ตกใจเพราะมันเหลืองหมดทั้งตัวแล้วเหมือนหนังมีแต่หนังห อ, อ ก, ก็ดุมันพร้อมขนาดนั้นนี่หนังห อ, อ ก, ก็ดุเหลืองเหมือนเหมือนทาขามิ้นเขมืนอ น, น เดี๋ยวท่านแก้ปุ๊บนะท่านกลัวเราจะใจกําลังเสียกำลังใจโอ้ทํามเป็นงัน้นล่ะเดี๋ยวท่านแก้ปุ๊บมันต้องอย่างนั้นนักรคท่านว่นักรบมันต้องเป็นอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนั้นสินานท่านาแก่มันก็รู้แล้วว่าเอาใจท่านคงว่างั้นนะมาท่านทีไรมันเป็นอย่างนั้นนี่ยมิจฉาเนังอห่อกระดูกห่อกระดูกมาไม่ได้ มีเนื้อมีหนังติดมานี่เอาจิงๆมันยังบอกแล้วฟัดเป็นจริงๆแต่ภายในใจมันไม่ได้เป็นอย่างหนังห อ, อกระดูกนะเนอมันสว่างกระจ่างแจ้งมันโอ้ยพูดไม่ถูกนะยินทข้างในนี่มันสว่างจ้าจ้าจ้าถึงขั้นปัญญา หมุนรอบตัวด้วยแล้วนั่นมันยิ่งพูดไม่ถูกเลยล่างอันนี้ก็เหมือนกออายเหมืนแก้วครอบตะเกียงอะตะเกียงเหมือนต่ะตะเกียงเจเฉลยุนนั่นใส่ตะเกียงอะไร อ, อะไรตะเกียงเจเฉลยุนนั่นมันเป็นดวงไฟนนัมันส่องแสงสว่างออกมาจากแก้วครอบอันนี้กิจเหมือนกันเหมือนกันมันส่องความสว่างออกมานี่จ้าไปหมดเลย มองเห็นตัวเจ้าของเพียงเป็นเงาเงาเท่านั้นนั่นอันงเีอํนนานาจของปัญญาที่มันมันชะมันล่างอะไรต่ออะไรออกจิตนั้นตัวนั้นเป็นสว่างกระจ่างแจ้งเจ น, เ, เ, นาาเจ้าของเพียงก็ยังอัตจั่เจ้าของผมไม่ลืมนะเนี่ยที่มันตั้งมันเกิดปัญหาขึ้นผมไม่ติดปัญหานี่แก้ไม่ตกก็พราเห็นนี้เองร่างกายนี่มองไปมันไม่เห็นนี มันมันเป็นเหมือนแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุภายในนี้มันสว่างจ้ามันเพียงเป็ น, เ, ปนเพียงเงาเงาร่างกายความสว่างของกิ่นมันซ่านออาหมดรอบตัวเลยทีนี้มันมันก็เกิดความมหัศจรรย์ยนนี่ตกขึ้นมายืนอยู่ จิตนี่ทำไมถึงไดสว่างซอยกขนาดนี้นะทั้งอัศจรรย์แล้วขนาดนี้เท่านั้นว้าจะของเองแลอัศจรรย์เจะของมันทำไมมันถึงอัศจรรย์ขนาดนี้เท่านะจิตสว่างแต่สว่างคิดกึกกือร่างกายทั้งล่างนี้มันทะลุหมดความสว่างจ้าไปหมดเป็นเหมือนแพียงเงาเงาเท่านั้นร่างกายอํานาจของความสว่างมันมันมากเกินกว่าที่จะอันนี้จะปิดบังมันได้บัง เพราะวิตกนี่สักคู่เดียวเท่านั้นน่ะทำมาอันประเภทหนึ่งก็ขึ้นนะพี่นี่แล้วตรงที่เรางงข้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่แเราไปกราบเรียนท่านท่านจะใส่ผางเดียวเท่านั้นมันจะรู้เลยในขนาดนั้นเลยนะเหนียดที่ว่าทางไม่เคยเดินจริงไม่เคยรู้ไม่มีผู้สอนมันเป็นอย่างนี้นะมันทําให้เสียไปล้เวลาได้นานนะติดปัญหาจาของ ถ้ามีจุดมีต่ำอย่างผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบนี่นะต้องบอกองงซะด้วยนะจุดก็คือจุดแห่งความสว่างนั่นนะ่ะจุดนั้นอนะ่ะความสว่างนั่นแหละคือตัวพบพบนี่อยู่ตรงนี้นะความหมายเยวลามันถามเวลามันถึงรู้ตอนนั้นไม่รู้นะถ้ามีจุดมีต่ำอย่างผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบว่างโง่งงไปหมดเลยเราไนะ แค่ถามใครก็ไม่ทราบมันไม่ลงใจที่จะถามอยู่ถามก็จะมาพูดงูปลาเราฟังพอให้ลำคาญแล้วพอให้อ่านภูมิผู้ถผู้ตอบ้นอีกเรื่องซ้าไปนี่อ่านมันจะอ่านแบบเหมือนกับดูถูกแต่มันไม่ใช่ดูถูกนะภูมิขนาดนี้ก็ยัง ม, ม, มาสอนเราได้เหมดมันแะต่ติ่งมันมันจะจะตอบไม่ถูกนะที่ปัญหาที่เราถามไปนั้นภูมิกี่ตัวเพื่อนนี่นะ ยังทั้งมันผ่านมันไปแล้วมันถึงเงออรู้อ๋อปัญหานั้นไม่แห่ไม่ผิดเลยแต่เราจับไม่ได้จับไม่ถูกไม่รู้จักจะจับโอ่องไหนมงงเหมือนไก่าตาแตกนั่นเป็นอย่างนั้นการที่ปฏิจจคุวาจารย์พลุฉลาดมันลําบากมันทําให้เสียเวลา่ำมีลายได้ถึงมันจะไปได้ก็ตามแต่มันก็เสียเวลานี่ยเรื่องความนอนใจไม่นอนแหละ มันจริงๆไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นที่มันแก้ยากมันลําบากรู้คำคำไปกันครูวาจามผู้ผ่านมาไปแล้วอย่างหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อแม่ขรูอาจารย์ในเรื่องูซี่พอกาบเรียนท่านอย่างนั้นท่านนั่นเองนะท่านจะใส่ผางอยู่มาเลยท่านนั้นมันจะแตกกระจายถึงในขนาดนั้นเดียวนะนะี่แล้วที่ขั้งบริการท่านบอกผู้บันรุ่นทำในขณะที่โตอตอบปัญหาจบลงมีเยอะนะเนี่ยในตำรานะ เวลาไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่างนันแล้วพระพุทธเจ้าคงตอบปัญหาให้เสร็จแล้วบรรลุธรรมในขนาดนั่นเลยมันก็มาเข้าขนณะตรงอย่างนี้ใช่เพราแม่พระอาจารย์ยังมีอยู่นี่ ม, นมันจะพางในขนาดเลยนะแต่นี่ท่านผ่านไปแล้วนี่เราก็แบกปัญหาจน ก, กว่าจะผ่านไปได้นะโห้ก็เป็นกับตายนานนี่อย่างนี้ พูดถึงเรื่องความสว่างของจิตมันเป็นอย่างนั้นหนังห่อกระดูกก็จริงสิมันไม่ไมันมากสาคัญนะครับหนังห่อกระดูกยิ่งกว่าธรรมชาติที่สว่างจ้ามีคุณค่าขนาดไหนไม่มีอะไรเทียบได้นะในโลกครนี้มันว่า ง, งั่นเลยนะเพียงแค่นั้นมันยังถึงขนาดนั้นแล้วมีแต่ความเพียรมันถึงมัาไม่มีอะไรมายุ่งได้เนะีย่ยผมไปทํานั้นทำนี่กับอะไรผมทำไม่ได้นะ ถ้าวันในขั้นสมาธิมันก็หมุนแต่กับสมาธิ เ, เสียงยิ่งขั้นปัญญาขั้นนี้ด้วยแล้วอะไรมาแตะมาได้มายุ่งไม่ได้อยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นคือทํางานตลอด <c oughs> พูดแล้วก็พูดอย่างนั้นเนี่ยย่าให้เพื่อนรู้ได้เห็นพูดคนเดียวเหมือนก็ามาโกหกกันเล่น อ, นนอะไร ทำให้พระเจ้าเป็นเครื่องยืนยันยืนยันในหัวใจเจ้าของสิมันรู้ในหัวใจเจ้าของมันยอมรับเองอ่ะ น, นี่พูดเรียนมานก็ก็ปากแฉได้แตชื่อได้จะความจำความจริงไม่ปรากฏในใจอย่างนั้นนะเอาละเลิกแล้วนี่พอ